หัวข้อประจำวาระอาบัตกองอาบัตวินีตวัตถุสามีจิกรรมทำตามปฏิญญาไม่ชอบทำทำตามปฏิญญาชอบทำไปด้วยสัตตาหะกรณียะไม่ต้องอาบัตานิสงการทรงวิไนศิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งอรุณขึ้นสิ่งของเป็นนิสขี สมถะกรรมข้าเปลือกดิบสร้างกุฏิด้านกว้างคณะโพชนะเก็บเพสั์ไว้ได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุถือเอาจีวรไปเก็บจีวรแล้วหลีกไปภิกษุไม่เห็นอาบัตเห็นอาบัตทำคืนอาบัตการงดปาติโมกไม่ชอบรรมการงดปาติโมกชอบธรรม องของวินัยทรสี่หมวดพระวินัยทรงามสี่หมวดอสัตธรรมเจ็ดอย่างสัตธรรมเจ็ดอย่างพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วแล